ย์รจีย์ย์ดง و ا ل ّ ل ا ل البعيد. ي د ع و ل من ضرره أقرب من نفعه. سَلْمَوْ ل َ وَلَا ب ِ س َ ل ْ ش إ ا ل ل ه ي ِ ا ل م َ و ع َِ ل ُ و ا َّ ا ل إِنَّ اللَّهَ ي ُ د ْ خ ِ ل ُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ و َ ن َ ا د ِ ي ن تَجِيرِ مِنْ تَحْتِ ا ل ْ أ َ ن ْ ه َ ا ر إِنَّ ا ل ل َّ ه ي َ ف َ مَا ُ ر ِ ي إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ي ظ ن ا أ ل َّ ي َ ن ص ُ ر ه ُ اللَّهُ ل َّ ي َ ن ص ُ ر ه ُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا و َ ا ل آ خ ِ ر َ ة ِ ل َّ ي َ ن ص ُ ر ه ُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا و َ ا ل آ خ ِ ر َ ة ِ ف ا ل ي َ م ْ د ب ه إلَى ا ل س َّ م َ ا ء ثُمَّ يَقْطَعُ ا ل ْ ي َْ ثُمَّ يَقْطَعُ ف َ ل ي َ ن ْ ر ُ ثُمَّ يَقْطَعُ ف َ ي َ ن ْ ظ ُ ر ُ َ ي ُ ز ِ ه ب َ ن ك َ ل و م َ ا ي َ غ ِ ي ُ وَكَذَلِكَ أ َ ن ز َ ل ْ ن َ ا ه و آيَاتٍ ب َ ي ِ ن َ ا وَكَذَلِكَ أ َ ن ز َ ل ْ ن َ ا آيَاتٍ ب َ ي ِ ن َ ا อัลลอฮ ه แหย่ให้ไม่ยุลิบิสมิลลาฮิ р raḥmān у raḥīm إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شَرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ عَمَالِنَا مَن ي َ ه ْ د ِ ه ِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلَ فَلَا ه َ د ِ ي َ ش د ل َ إ ه إ ا ل ل ه ُ و ح ه وأشهد أن محمدًا عبدُه ورسولُه اللهم بِكَ أصبَحْنا وَبِكَ أَمْسَينا وَبِكَ نَحْيا وَبِكَ نَموتُ و َ ه ِ ل َ ا ئ ك َ نُشور أعوذُ بِكَ لِمَاتِ اللَّهِ ت َ الل م َ ا ِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُلُّ مَعْصُمِهِ ش َ ي ْ ئ ً فِي الْأَرْضِ و َ ل ا ف و َ ا ل ع رَضِيْتُ بِاللَّهِ ر َ بال ب ลّ ا وَبِالْإِسْلَامِ د ِ ي ั ن ร و สูละอัลลอฮุมะอินนีอา ا ู ل ุกับมินัลคาสัลَและ ذ ا อิ ك َิบ ل รีรับบะอาอูบุกับِินั่งดับมินั่งดับมินั่งดับِิน ل ่งด ا บมินั่งดับ ا ิِั่งดัَมินั่งดับมินั่งดับมินั่งด ع َมินั่งดับมินั่งดัَมินั่งดับมินั่งดับมิ ع ั่งดับมินั่งดับมินั่ พี่น้องที่ร่วมนมาสซุบที่รักทั้งหลายครับอัลฮัมดุลิลลาห์เราขอบคุณอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى โดยกล่าวเป็นภาษาอาหรับว่าอัลฮัมดุลิลลาห์และก็ชุกุลักัลฮัมุการขอบคุณเป็นของอัลลอและการสรรเสริญก็เป็นของอัลลอทั้งหมดเป็นคำขอบคุณที่ดีที่สุด คำนี้แหละอัลฮัมดุลิลละกัสุครุวาลกัลฮัมดุขอบคุณ Allah เราได้ทบทวนอัลกุรอานที่บ้านของ Allah นะครับที่บ้านของ Allah พระมัสยิดนั้นไม่ใช่มีไว้เพื่อนามาดอย่างเดียวมัสยิดเนี่ยมีไว้เพื่อนามาทำอิบะดะศองเนี่ยอ่าน آن, อัลกุรอานอธิบายอัลกุรอาน แล้วก็อธิบายความฮะดีสิทธ่์ทันนบี น, นำออกมาสอนเราเป็นห้องประชุมเป็นที่ปรึกษาหารือกันฉะนั้นมัสยิดนะครับเป็นบ้านของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้เกียรติมากนะครับคนที่เข้าอยู่ในบ้านของอัลล์เนี่ยอัลลอฮ์ให้เกียรติถือว่าเป็นแข่ของอัลลอฮ์สุบฮานหั ว, วตาล้ฉะนั้นมารยาทของคนที่เข้ามัสยิดนะครับ เวลาเข้ามัสยิด ต, ต้องเข้าด้วยเท้าเท้าขวาให้ไหมเข้าซ่วมเท้าซ้ายบางคนไม่ไม่จำไอคนไม่จำเนี่ยเราก็อธิบายได้อ่นะขอเล่าให้ฟังนิดหนึ่งท่านซุฟยานซูรีหรือซาวรีซาวรีนเนี่ยแปลว่าวัวซุฟยานเนี่ยต่อมามีชื่อใหม่ชื่อว่าซาวรีสาเหตุเพราะอะไรรู้ไหม สุฟ ья นี่ยมีวันหนึ่งเนี่ยเข้ามาในมัสยิดพอเข้ามาเนี่ยได้ยินเสียงไม่รู้เสียงมาจากไหนจะมาจากข้างบนฟ้าเองจะเป็นวัวแล้วเรอเพราะนั่นก็ตกใจเอ๊ะฉันทําอะไรผิดจะมีเสียงตําหนิมาจากฟ้าก้วาว่าเป็นวัวแล้วหรอือก็มานึกได้โอ้เมเจอรกีฉันเอาเท้าทรายเข้ามาสัสยิดมีเสียงตําหนิมาจากข้างบนฟ้าคุณจะเป็นวัวแล้วหรือ แสดงว่าการเข้ามัสยิดนี่นะคนที่เข้าไม่เอาซุนานะบีมาใช้ไม่เอาเท้าขวาเข้านี่ไม่ไมต่างอะไรกับวัวคนนี้และถูกตั้งชื่อว่าซูฟยาอัสซารีจะเป็นอุลมามะดังคนหนึ่งก็ทำผิดแต่วิธีแก้คําผิดก็คือท่านบริจาคควักเงินมาก็บริจาคสอดก็ทำบุญเพื่อลบล้างความผิดที่ท่านเข้ามัสยิดด้วยเท้าซ้ายอาลัลลอฮฺเห็นนะัเนี่ยง อิสลามละเอียดมากเะลยเราทำดูลิลละขอบคุณอัลลอฮพี่น้องเราได้ทบทวนอุปราชมาถึงอายะที่11เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยมาถึงอายะที่11อายะที่11อธิบายยังไงอธิบายบอกว่า <S <S วะมินันน่าซีมาญะบุดุลลอฮฺอาลาฮารฟินคำว่าฮัรฟินนี่แปลว่าอยู่บนทางอยู่บนขอบทางหมายความว่า รับอิสลามยังสงสัยอิสลามเนี่ยมันจะดีหรือเปล่าออมาเป็นมุสลิมเชื่ออัลลอฮ์เชื่อรอฮูเนี่ยจะเป็นยังไงยังสับสนอยู่พี่น้องกเอ็เอาอะไรนะเอาเงินเป็นตัวตั้งเอาอะไรนะเอาริสกีเป็นตัวตั้งแตหาว่าคนที่รับนับถืออิลอสลามแล้วก็มีเงินเพิ่มขึ้นมีธุรกิจเพิ่มขึ้น อูดออกลูกหลายตัวแพะออกลูกหลายตัวเออการเป็นอิสลามจะดีนะ <c oughs> นี่นี่คนอาหรับซุ่นก่อนจะเป็นเป็นแบบนี้อัลลอฮ์เล่าให้ฟังเลยฉะนั้นคนที่รับนับ ถ, ถือมารับนับถืออัลอิสลามยังสงสยัยอิสลามจะดีหรือไม่ดีเอาอไรนะเอาธุรกิจมาวัดเอาเงินมาวัดเอาตําแหน่งมาวัดเอาเชื่อเสียงมาวัดนั่นไม่ใช่เป็นการรับนับถืออัลอิสลามที่ถูกต้อง การรับนับถืออัลอัลอิสลามนั้นต้องเนื้อกรออิสลามนั้นเป็นศาสนาที่สะอาดที่สุดกุณอ่านเป็นทางนําศาสนาเป็นทางนําเป็นนูรุลเป็นฮูดาพี่น้องแต่้าุณอานอั an, ลลอฮฺเล่าให้ฟังบอกว่าไวมินานนาเซมัยยาบูดุลลอฮฺฮะอัลาฮัดฟินใครก็ตามที่หันมานับถืออัลอิสลามแบบแบบสับสน นะครับโดยไม่ได้ตั้งอกตั้งใจจะเป็นอิสลามเอาธุรากิจเอาเงินเอาชื่อเสียงมาเป็นที่ตั้งฟาอินอัอบะฮูคอฮิรุนเวลาความดีมาประสบกับเขาอิธมาอันนนบีฮีเขาอิ่มเอิบใจอธิบายยังไงอิสลามนีดีจริงๆวาอินอัลฟบาตูฟิดนัตุนถ้าหากว่ามีมุสีบ้ามีความลาบากมาประสบกับเขาเป็นมุสลิมแล้วเงินไม่เพิ่ม เป็นมุสลิมธุรกิจไม่ดีเลยเป็นมุสลิมมีปัญหาเยอะว่าไงนะเขาก็ทิ้งอัลอิสลามตกมมดตัดไเย อ, อะมากเย อ, อะไปหมดในสมัยนบียังมีชีวิตอยู่ฉะนั้นอย่ามองว่าการรับนับถืออัลอิสลามแล้วจะให้ธุรกิจดีให้เงินเพิ่มให้เุนเพิ่มที่เพิ่มอย่าไปมองตรงนั้นนะมองว่าไงนะการรู้จักอัลลอ์อ่า การมีนบีมุฮัมมัดนะครับการมีอัลกุรอานเป็นทางนาสําหรับชีวิตนี่เป็นความประเสริฐเรื่องธุรกิจอีกเรื่องหนึ่งนะครับเอาวันนี้มาอายาที่ยี่อ า, อายาที่สิบสองนะครับ <c oughs> อายาที่สิบสองนี่ต้องการจะพูดเรื่องนี้เรื่องบาปนะครับเรื่องชีริกเรื่องบาปบาปมีสองอย่างนะซออิศกับกาบาอิศ บาปมีสองอย่างในศาสนาอิสลามนะมีบาปเล็กกับบาปใหญ่นี่ต้องการจะพูดเรื่องบาปใหญ่นะครับเอาอ่านคุรอานนะยาดอมินดุนิลลาฮิมาลายา ضر و ما لا ينفع ذلك هو الضلال البعيد Allahu akbar. الحمد لله أنقولها له تزوان. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه. ذلك هو ضلال البعيد. อะยานี้ต้องการจะอธิบายเรื่องคนที่ทำบาปทำชีริกเป็นยังไง ต้องเข้าใจว่าชีริกนี่เป็นบาปใหญ่นะและบาปใหญ่นี้อัลลอ์ไม่อภัยโทษให้จนกว่าจะเต่าบะแล้วอัลลอ์จะพูดนั้นกะฟิกุอุอาเรื่องบาปใหญ่เรื่องชีริกนี่เยอะมากเลยเยอะมากเลยเป็นพันๆอายาเลยนะ <S <S ยะเาเจามินดูนิลลาฮิมาลายาดรุแปลว่ายะยเจาแปลว่าพวกเขา วิงวอนดาญาโดแปลว่าวิงวอนหรือขอนะครับใครนะครับคือคนกาเฟ่เนี่ยพอหันหลังให้กับอัลลอฮ์ปั๊บนี่นะได้ชื่อว่าไงนะมุนาฟิกมุสริกกาเฟ่มีทั้งสามสาศาสนาใหญ่ๆมุนาฟิกกาเฟ่มุสริกพอหันหลังให้กับนบีมุ hammad ไม่เอานาบีมุ hammad เป็นที่ตั้งเนี่ย ได้ชื่อว่านะยะฮูดีนอสรลนีแล้วก็บิดยาแล้วก็ได้อีกแต่ไม่หมดเลยมีชื่อเต็มไปหมดพอพูดแล้วมันมันมันสแสลงหูหนึ่งเป็นอะไรนะเป็นยะฮูดีนอสรลนีบิดยาซีอาตามมาเต็มเลยอนะ่ะพอพูดอ่าดูสิดูมาอะไรมามาหลบห ล, ล, ล, ลูกันอะไรกันไม่ใช่นี่เรื่องจริงเป็นอย่างงี้ ถ้าหันหลังให้อัลลอ์ปั๊บเนี่ยกลายเป็นมุนาฟิกมุชริกกาเฟตชื่อมาเต็มเลยใช่ไหมพอหันหลังให้กันนบีมุฮัมมัดปั๊บกลายเป็นยาฮูดีนสรรณีบิดอัชโอโลเต็มไปหมดเลยหันหลังให้กันนบีมุฮัมมัดไม่ยอมให้นบีเป็นอะไรนะเป็ น, เ ป, นเป็นผู้นำนะครับบนโลกดุนยาใบนี้จะมีชื่อตามมาคนเหล่านี้เป็นศัตรูต่ออิสลามทั้งหมดเลยครับ จนี้การไปบูชาสิ่งอื่นมินดูนิละอื่นจากอัลลอ์เนี่ยเป็นยังไงจวเจวิตต่างๆเหล่านั้นมาลาญูรูหูไม่ให้ทุกข์แกเขาไม่ให้ทุกข์รอดรอยดุลลไม่ทำอันตรายใดๆให้แกเขาที่ต้องการจะเตือนคนที่ไปบูชาสิ่งอื่นนอกจากอัลลอ์พี่น้องมุสลิมที่ไปหาโต๊ะตะเกียต้องฟังตรงนี้ ไปหาโตเตเกียมาลายดูลูหูเนี่ยเอาเราเล่าเองนะโตเตเกียไม่สามารถที่จะให้ทุกได้ว่ามาลายมกรูหูและไม่สามารถให้ประโยชน์กับเขาได้ไอธิปัยนี่นะพะประเพณีปฏิบัติเพราะคนนั้นทําคนนี้ทําคนเลิกตามกระแสแต่จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เป็นเจวิตทั้งหมดนั้นไม่สามารถที่จะให้คุณและให้ประโยชน์อะไรกับเราได้ ทำให้หูตาสว่างนะแต่ท่านคนที่เป็นมุสลิมกละอ่านกุนอ่านเนี่ยเขาจะไม่ก้มลงกราบใครง่ายๆนะครับแล้วต่อามาอีกอัลลอฮ์าตำหนิน ะ, ะบบนั่นเป็นการหลงผิดบาลลอัลลอ์หลงผิดแบบใกล้หรือไกลไบดไกลลิบเลยอัลลอ์เห็นไหม ไปเคารพสิ่งอื่นนอกจากอากกัลลอฮฺไปเคารพโต๊ะตะเกียรไปหาไปขอจากโต๊ะตะเกียรโต๊ะระยมไปหาจากของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งโลกในโลกนี้แหละจะอยู่ที่ไหนก็ตามในอินเดียเต็มไปหมดเลยกูบโบกูบโบกูโบกูโบกูโบผู้ที่ไปหาไปหมดแล้วถามว่าได้ประโยชน์ไหมถ้าอ่านคุณอ่านอินยานี่ด้วยด้วยใจที่เป็นธรรมอย่าอัคตินะอัลลอฮฺแล้วก็ไม่ต้องไปข้าทพังนายนะ เอาความรู้จากคุรานเนี่ยไปอธิบายยาดาวมินดูนิลาเขาวิงวอนขออันอื่นจากอัลลอฮ์มาล้ย uh ุกรูเจ้าเบีต่างๆเหล่านั้นเน่ไม่ให้ทุกข์แกเขาว่วามาล้ยัมฟ้าและม่ให้คุณแกเขา ซาลิกะฮูบบลาลุลบายแท้จริงมันเป็นการหลงผิดที่ไกลลิบในตับซีดอ๋อตัซีนะ <c oughs> ในตับซีดภาษาทั้งอาดับภาษาอุรดูเนี่ยผมนั่งอ่านอยู่นะอธิบายบอกว่าทำไมต้องใช้คำว่าบายอีตแปลว่าไกล แค่ทั้นคนที่หลงผิดแบบไกลๆแบบนี้โอกาสที่จะกลับตัวนั้นลําบากสูงลําบากมากอาลัลลอฮ์คนที่ไปบูชาสิ่งอื่นนอกจากอาลัลลอฮ์โอกาสจะกลับตัวมีมหม ย, ยากมากเพราะอาลัลลอฮ์บอกว่าบอลล่าลุนบายดุนเป็นการหลงทางที่ไกลลิบพอไปไกลแล้วเนี่ยหลงทางเลยใช่ไหมโอกาสจะหวนกลับมีไหม ย, ยากมากเลยนี่เป็นการเตือนนะครับเตือน เขาตำหนิประเทศยุโรปด้วยแต่ตบองภาษาอุรุดูเขาบอกยุโรปเอ้ยไปกราบน บ, บีอซสามากี่ร้อยปีแล้วแล้วบอเมริกายุโรปมันดีขึ้นไหมล่ะฉะนั้นเปลี่ยนจากทิ้งน บ, บีอีสามายึดน บ, บีมุฮัมมัดลองอภิชาติอยู่ที่ใครพูดเลื่องมอนาอบุลฮัสซันไปยุโรปมา เราไปเห็นยุโรปเนี่ยยุโรปเนี่ยเอาหลักการอิสลามประชายเยอะพอสมควรแต่ด้านอาตีได้อย่างเดียวที่พลาดเรื่องตรงเวลาชั้นหนึ่งเรื่องความสะอาดชั้นหนึ่งใช่ไหมเรื่องตังอกตั้งใจทํางานชั้นหนึ่งแต่อาร์ตีไดไม่ดีจากนั้นเอาอาก์ตีไดนาบีอิสามาใชา้ลองเปลี่ยนดูซิเอาอาร์ตีไดของนาบีมุฮัมมัดประชาดูอาจะทําให้ยุโรปนั้นเจริญกว่าปัจจุบันนี้โคตสอนดีนะ แล้วก็ตําหนิคนคนอินเดียในอินเดียเนี่ยคนแขกเต็มเลยมีแต่คนแขกแต่ไม่มีอิสลามแล้วคนยุโรปเนี่ยคนแขกไม่มีแต่อิสลามเต็มไปหมดเลยกระจายยังไงคนยุโรปม่นจะเป็นมุสลิมเอาหลักการอิสลามไปใช้แต่คนอินเดียเนี่ยมุสลิมครึ่งประเทศแต่มีแต่มุสลิมแต่ไม่มีอิสลามเรื่องสกปรกก็อร่อยนะะั่นแหละถามนเฉลยไประโยชน์มานาน หมดนลเลยน้องนั่นอุลามะอุลามะเขามองออกน้องพอมองปั๊บเนี่ยอธิบายได้เลยอธิบายได้อธิบายได้อาต่อมาครับอายะที่อายะที่สามสิบสามนะครับยาดะอุลามัมบรรฮูอักรบมินนัฟัย ลาบิ سلموا ลาวลับ <an> ิ سلمعشير ยด عوا ละมัน ضره أقرب من نفعه ลาบิ سلموا ลาวลับิ سلمعشير มียาดูที่สิบข้อข้อที่สิสองก็ยาดูข้อที่สิบสามก็ยาดูแปลว่า พวกเขาวิงวอนพวกเขาขออายาแรกขอในสิ่งที่ไม่มีประโยชน์แล้วก็ขอที่ตัวเองไม่ได้รับประโยชน์ไม่ได้รับทุกข์นะครับนั่นเป็นการหลงผิดที่ไกลฤิอายาที่บยาดาและมัมบอรหูพวกเขาวิงวอนต่อผู้ที่โทษของมัน บอราหูแปลว่าโทษของมันโทษของมันนั้นเป็นไงครับอากระบูเนี่ยเดิมแปลว่าใกล้กว่าทีนี้แปลว่ามีเกิดขึ้นเร็วกว่าโทษของมันเนี่ยเกิดขึ้นยิ่งไปขอแทนที่จะได้รับรางวัลตอบแทนจากอัลลอ์กลับได้โทษมาแทนนี่ต้องการจะอธิบายว่าไกลไปบูชาสิ่งอื่นนอกจากอัลลอ พวกเขาจะได้รับการลงโทษอยู่ใกล้ตัวของเขาคาว่าใกล้หมายถึงฟิตดตุลยาจะได้รับการลงโทษบนโลกดุนยาใบนี้นะครับเขาพวกเขาวิงวอนต่อผู้ที่โทษของมันจะมีขึ้นเร็วกว่าคุณประโยชน์ของมันคำว่าเร็วขึ้นหมายถึงถูกลงโทษบนโลกดุนยานะครับถูกตำานิ คำว่าถูกลงโทษบนโลกดุนยาเนี่ยอัลลอฮ์จำหนินบีมุฮัมมัดนบีทั้งหมดที่มาในโลกนี้ตําหนิําหนิคนที่บูชาสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์แล้วใครตําหนิอีกครับมุมินทั้งหมดทั่วโลกตําหนิคนจะไปบูชาสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์นี่ไงโทษของมันอยู่ใกล้ตัวของเขาบนโลกดุนยาถูกตําหนิจากอัลลอฮ์ถูกจาหนิจากบรรดา น, นาบีทั้งหมด แล้วก็ถูกตาหนิจากบรรดาผู้ศรัทธาต่ออัลลอสุบฮานาฮฺเรื่องอกิด้าเรื่องใหญ่มากนะพี่น้องนะอย่าเป็นนึกว่ามันศักดิ์สิทธิ์เลยนี่เช้าเนี่เวลาออกไปจากมัสยิดแล้วก็มีท่าฝนมันตกเมื่อคืนนี้อากาศมันเย็นสบายน บ, บีสั่งเลยว่าใครที่มองว่าอากาศตอนเย็นเนี่ยตอนเช้าเ้านี่อากาศมันเย็นเพราะเมื่อคืนนี่ฝนตก เพียงนึกว่าฝนที่ตกนั้นน่ะไม่ได้มาจากอาลัลลอฮหรอกมาจากอะไรนะดาวาดาวมันผ่านมาเมื่อวานซืนี่และดาวนี่ทำให้ฝนตกนี่ก็เป็นชีริกบาปอันยิ่งใหญ่เรื่องละเอียดมากเลยเรื่องปกินะพี่น้องฉะนั้นต้องระวังเรื่องนี้ให้มากนะครับ อย่าไปคิดว่าโตโนนสำคัญโตนี้สำคัญสิ่งนั้นสำคัญสิ่งนี้สำคัญอย่าคิดว่าดาวดวงนี้เดินผ่านโลกด้มาจะทำให้โลกเป็นอย่างนี้ไม่เกี่ยวกันไปน้องทั้งหมดเรานั่นอยู่ในการควบคุมของอัลลอ์แต่เพียงผู้เดียวต้องสอนเรื่องเหล่านี้นะครับที่บ้านนะยาดาวลามบารหูอักรบูมินนับไป พวกเขาวิงวอนต่อผู้ที่โทษของมันจะมีขึ้นเร็วกว่าคุณประโยชน์ของมันคำว่าโทษของมันเกิดขึ้นเดียวก็คือมีเสียงตำหนิจากใครนะจากอัลลอ์จา ก, Allah, จากบรรดานาบีทั้งหมดแล้วก็บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหมดนั้นตำหนิคนที่ไปบูชาไปเคารพไปคิดว่าสิ่งอื่นนั้นมีสิทธ์เท่ากับอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวาตาล ต่อมาครับลาบิซัลเมาลาบิทราบแปลว่าชั่วช้าแท้แท้เลวแท้แท้เมาลาแปลว่าผู้คุ้มครองผู้คุ้มครองวาลาบิซัลชีและชั่วช้าแท้แท้เป็นสหายในภาษาอังกฤษเนี่ยนะคำว่าเมาลาเนี่ยในภาษาอุรุว่ามาดัตกาผู้ช่วยเหลือ เมาลาเนี่ยเป็นผู้ช่วยเหลือแล้วก็อาชีพเนี่ยแปลว่าเพื่อนคนใกล้ชิดคนใกล้ชิดกับผู้ช่วยเหลือเนี่ยเขาช่วยเหลือกันตอนไหนช่วยเหลือกันตอนมีปัญหามีความเดือดร้อนมีความลําบากสองรายการนี้จะช่วยใครนะผู้ช่วยเหลือเมาลาก็จะช่วยเหลือเขาแล้วคนใกล้ชิดก็จะช่วยเหลือเขาแต่ ความความความเป็นจริงไม่ใช่อย่างนั้นพอไปถึงในวันเตียมานะครับสองรายการเนี่ยเมาลากับอาชีพเนี่ยไม่ช่วยเหลือใครเลยเนีย่อัลลอฮ์ต้องการจะเตือนคนมุสลิมที่อ่านกุรานวันนี้อย่าไปคิดว่าคนใกล้ชิดนะ่ะช่วยได้บนดุนยาเนี่ยช่วยได้โอเคแต่ว่าอาคีรอช่วยได้ไหมช่วยไม่ได้ฉะนั้นเพื่อนสนิท กับคนใกล้ชิดตามธรรมดาเวลาเขามีปัญหาเขาจะช่วยกันแต่สิ่งที่เขาไปบูชาอื่นจากอัลลอฮเป็นทั้งเพื่อนสนิทแล้วก็คนใกล้ชิดสามารถช่วยเหลือได้ไั้ยอยู่บนบุญญาเนี่ยช่วยได้แต่อาคกิรอช่วยไม่ได้นี่ต้องการจะเตือนนะครับคนที่อ่านอัลกุรอานเนี่ยต้องใช้ปัญญานะครับอัลลอการใช้ปัญญาสำคัญมากในะพี่น้องนะสองรายการนี้นะ จะต้องถูกจับลงโทษหมดเลยท่านะอังกุ๊บอ่านอธิบายว่าเพื่อนสนิทก็ถูกลงโทษแล้วก็คนใกล้ชิด ท, ที่จะช่วยเหลือตอนมีความเดือดร้อนวันนั้นเนี่ยสองรายการนี้ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือใครได้ทั้งสิ้นนะครับพี่นอ้องพี่นอ้องต่อมาอายาที่เท่าไรนะอายาที่14แลอาาธิบายยาวนิดนึงนะ إن الله يدخل الذين آمنوا وعمل الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد อินนّลลอฮะยุดัُลุ่อละฎีน آ มَนุวะมิลุศัลิฮัดจันนตِนตะจิริมิَใต้หัลอันฮาร์อินนั ا ل อฮะยัฟเวลุมะยูริดอัลฮัมดุลิลลอฮฺอัลลอฮฺนี่พี่น้องคน a ี่อ่านกุ้งอ่านระ ถ้าเข้าใจความหมายแล้วก็ปฏิบัติอามันจิซอและสบายใจก่อนหน้าญานี้พูดถึงเรื่องคนทําผิดใช่ไหมที่เขาไปบูชาไปกราบช่วยเหลือเขาไม่ได้เลยบนยุมยาก่อนถูกตำหนิวันอาคิรอบฟื้นขึ้นมาเรียกว่าเมาลาหรืออาชิดเนี่ยที่เราเรียกกันว่าเมาลาคนใกล้ชิดอาชิดแปลว่าอะไรพูดผู้ผู้ช่วยเหลือช่วยอะไรไม่ได้ใครทั้งนั้นเอามาดูคนที่มี วางตัวของเขาเชื่ออัลลอฮ์เชื่อรอซูลเชื่อซุนนะนาบีเชื่ออัลกุรอานเป็นยังไงอินนัลลอฮแท้จริงอัลลอฮ์ยุดขีรุส่งให้อัลลอฮีนอามานุบรรดาผู้ศรัทธาอัลลอฮุอักบัดว่ามีลุซอลิฮ์และผู้ที่ประกอบการดีทั้งหลาย ยุดขิลแปลว่าให้เข้ายุดขินแต่กูอ่านมาก่อนแต่ภาษาไทยต้องแปลที่หลังก่อนแท้จริงอัลลอฮ์จะให้คนที่มีอีมานคำว่าอีมานต้อง إ ي ม ا ن หกข้อเลยนะข้อเดียวก็ไม่ได้สองข้อไม่ต้อง إ ي ม ا ن หกข้อนะ إ ي ม ا ن หกข้อวามีลุสซอหรือฮาและประพฤติความดีอีกห้าข้อเป็นทั้งหมดกี่ข้อนะหก เจ็ดแปดสบสบอดข้อด้วยกันลูกคนอีมานหลูกคนอิสลามห้ารวมเป็นสิบอดข้อนี่แหละเป็นอีมานและอปเป็ไอามันติซอเลยเมื่อคนที่ปฏิบัติหลักการอีมานหกข้อและอิสลามอีกห้าข้อได้เรียกว่าอามานุวาอามิลุสซอลิฮัดคนที่อิมานและคนที่มีอามันติซอเลยเป็นไงครับยุดขิลอัลลอฮฺจะให้เขาเข้า นะครับอัลลอฮ์จะให้เขาเข้ายันนาเป็นพระผู้โพสไปน้องแปลว่าสวรรค์อัลลอฮฺว่ายันนาสวรรค์มีทั้งหมดกี่ชั้นอัลลอฮ์ร้อยชั้นนะร้อยชั้นนะอัลลอฮ์เราเนี่ขอชั้นชั้นแรกก็เอาแล้วทำเลยขออุทิศต่อเรให้เข้าชั้นแรกก็เอาแล้วการไปน้องแต่อัลลอฮ์สั่งให้ขอนะถ้าจะขอต้องฟิลเดิลนั่นเลย ขอชั้นดีที่สุดอย่าไปขอชั้นต่ำๆสูงสดุดเฟสดาอนะภาษาอุรูกว่เฟโดสจันนะอลัลลอฮจะให้พวกเขาเข้าอยู่ในสวนสวรรค์หลากหลายตาเจรีนะเบื้องล่างของสวนสวรรค์นั้นมีอะไรครับอันฮารนนารุนนาร้อนี่อันฮารแปลว่า แม่น้ําหลายสายอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้ําหลายสายอธิบายครับในตําสิทอธิบายไว้สี่รายการหนึ่งแม่น้ําน้ําที่สะอาดน้ําที่ซอฟี่สะอาดสองน้ําพึ่งอ๋อเป็นแม่น้ําเลยนะหลายน้ําพึ่งสะอาดนะน้าพึ่งบริสุทธิ์เนี่ยแล้วก็สามเหล้าอ๋อแล้วก็สี่อะไรน้ำอะไรนะจําได้บ้างน้ําอะไร น้ำพึง่งน้ำธรรมดาแล้วก็เหล้าแล้วก็นมมันทำด้วยเลยละเอาใจคนทั่วโลกเลยเนี่ยพวกฝรา่งกชอบเหล้าคนอินเดียก็ชอบนมแล้วก็พวกเราก็ชอบเบียทั้งสี่รายการเนี่ยอัลลจัดทั้หมดเลยพี่น้องท่ไหร่ตาใตา้ตสวนสวรรค์ของอัลลอฮสุบฮานูวนะตาลอัลลอฮอักบาร์พี่น้องยิ่งใหญ่มากนะพี่น้องทีนี้ ผมต้องการจะอธิบายว่าอามันที่ซอนแรกน่ะมีมีมีอะไรบ้างวันนี้ผมเขียนเรื่องอามันที่ซอนแรกมามีทั้งหมดสิบสองข้อเอาเอาเอาเอาไปใช้ก่อนนะหนึ่งผู้ที่เสียชีวิตในหขนทางของอัลลอฮ์เขาเรียกคนนี้มีมีมีอิมานและมีมีอามันที่ซอนแล้วแล้วก็เป็นเครื่องปกป้องไม่ให้เขาถูกลงโทษที่กูโบด้วยข้อที่สอง ผู้ที่เป็นยามรักษารัฐาอิสลามแล้วก็เสียชีวิตเป็นยามพวกเราคงไม่ะนะอา้าข้อที่สามคนที่อ่านอัลกุรอานสุร์อัตบารอกันลาดีอยู่เป็นประจําทุกคืนก่อนนอนอ่านตะบารอกันลาดีอัลลอฮฺจะปกป้องเขาไม่ให้ถูกลงโทษที่สุสานข้อที่สีอ่านอัลกุรอานทุกวันสุร์ะัตไหนก็ได้นะครับตัวลวงว่าเราว่ากุรอานผูกพันกันนะ ต้องอ่านทุกวันสุรอ้อนไหนก็ได้แต่ที่เน้นก็คือสุระอนตาบาโรกันละดีให้อ่านเป็นประจำนะครับตาบาโรกันสุรออ้อนมาจากไอฮัดดิสฮากิมนะครับส่วนอ่านกู้นอ่านสุรอ้อนไหนก็ได้เนี่ยท่านอิหม่ามปอบรานีบันทึกฮัดีิสมาข้อที่ห้าผู้ที่ทํานมาศครบห้าเวลาทุกวันพวกเราทําอยู่แล้วอิชาลลัสนะครับปลอดภัยนะ เป็นยามรักษาเราได้ด้านศีรษะน้ำมานี่ไปยืนรักษาเราด้านศีรษะด้านหัวข้อที่หผู้ที่ถือศีลอดในเดือนรามาบอลอ่อจะเป็นยามยืนเฝ้าเราด้านขวามือในในไร ใ, ในกูโบนี่เป็นเรื่องจริงทั้งหมดนะเป็นหัจย์ของอิบนาหิบานข้อที่เจคนที่จ่ายอากาศนะครับจะเป็นยามเฝ้าด้านซ้ายมือของเขาอิบนาหิบาน ข้อที่แปดผู้ที่ติดต่อกับเครือญาติเครือญาติมีใครบ้างมีอยู่1บนะหนึ่งพ่อสองแม่สลูกชายสลูกสาวหาญาติฝ่ายพ่อหญาติฝ่ายแม่เจอะไรนะลูกเขย 8. ดลูกสะัย 9. ้พ่อตาส0บแม่ยายนี่เป็นญาติกลายชิด โอ๋ ล, ล่ะพี่น้องท่านคนที่ติดต่อกับเครือญาติญาติชี้ถือว่าเป็นอามันที่ซอนแหละฉะนั้นรักพ่อรักยังไงพ่อเนี่ยพ่อไม่มีเมียหมาอีกคนนึงลูกโกรธเลยได้ไหมไม่ได้พ่อโรคชอบอะไรก็ต้องชอบตามพ่อด้วยนั่นแหละเครียกว่าลูกที่รักพ่อจะอย่าตัดทายกับกับกับนะกับพ่อนะกับแม่นะกับอีกเนี่ยญาติฝ่ายพ่อญาติญาติญาติฝ่ายแม่เนี่ยมันเยอะน่ะอ นี่รายญาติฝ่ายพ่อกับฝ่ายแม่ต้อ ง, งรกักษาให้ดีนะคนแต่ละคนเนี่ยบางคนก็ดีบางคนก็อล อ, อร่อยจริงๆแตนั้นก็ต้องต้องประสานความความต้องใช้ความความดีของเราที่มีอยู่นไปประสานกับญาติพี่น้องฝ่ายพ่อฝ่ายแม่เนะอาต่อมาครับข้อที่สลายนะข้อที่9การเดินไปมัสยิดเห็นไหม เป็นความดีแล้วก็ปกป้องเราที่หลุมฝังศพได้ด้วยเป็นฮัสออี่คอยมามปอบบรอนีสิบจ่ายโซดาโก้จะขาด ก, ก, กับโซดาโก้ไม่เหมือนกันนะโซดาโก้ก็คือเมื่อจ่ายจะขาดแล้วจ่ายโซดาโก้อีกแล้วก็ฮาดียาอีกข้อที่สี่วากาฟอีกสีรายการต้องนึกพี่น้องคนที่มีอันจะกินเนี่ยนะหรือก็พวกเราที่มีที่สกีบ้างเล็กๆน้อย จ่ายบางคนะการไม่ได้จ่ายแต่ต้องจ่ายสโดตรกอไม่มีสโตรกะก็ต้องจ่ายฮาดียะถ้ามีศี่ราการเลยดีไหมอ่อนห้ามอยู่ดีเลยสการก่อนมีสโดตรกะก่อนมีฮาดียะแปลว่าให้ของขวัญกันแล้วก็วกาฟบริจาคให้กับมูลนิธิองค์กรมัสยิดสุราแล้วก็ตามแต่ซื้อรถให้ได้ไหมเอาบ้านเช่าให้หนึ่งห้องเอาแปลีเป็นไรายได้ของท่านนะเป็นวกาฟเลยพี่นองทั้งหมดเราเนี่เป็นอามันติซอลแล้วข้อที่11 การรักษานมาซุนนะมุอะกกะดะโอสุนนะอย่าลืมนะนะว่าฟินเก็บให้ดีนะเชล็อะไรบ้างก่อนนมาซุบโบสองอะกาดก่อนนมาซุฮอดมีสี่หรือหหรือสองรักษาหลังนมาซุฮอดอีกสองหลังมะริบสองหลังนมานอิชาอีกสองตะหัดหยุดวิตเตดดูฮารักษาให้หมดช่วยเราได้ ตอนที่เรานอนอยู่ในสุสานจะไปยืนเป็นยามเฝ้าเราขณะที่เรานอนอยู่คนเดียวในอลัลลอบัสรักข้อที่12บพี่ น, อน้องคนที่กล่าวยืนยันทุกวันละอิละฮ์อิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุลรอซูลุลอพร้อมกับรู้ความหมายแล้วก็ปฏิบัติตัวเองยืนยัดอยู่กับอัลลอ์อย่าทำชีริกต่ออัลลอฮ์สิบสองรายการนี้ เป็นฮัติทั้งหมดนะครับพี่น้องเป็นตัวช่วยเราและเป็นอามันศิษอแลวช่วยเราไม่ให้ถูกลงโทษขณะที่เรานอนอยู่ในสุสานเอต่อมาอีกนิดหนึ่งพี่น้องเรื่องบาปเมื่อมีอามันศิษย์แล้วมีบาปบาปนี้ที่ผมเช็คจากฮัดติสนะพี่น้องบาปใหญ่มีทั้งหมดรอยเามื่อก่อนนี่เราเช็คได้80สิบ ต่อมามาอ่านเพิ่มศึกษาไปโอ้โหมีร้อยสี่สิบเก้ารายการวันนี้ไม่ไม่พูดพูดเรื่องบาปเล็กๆ็ก็แล้วกันบาปเล็กมีทั้งหมดยี่สิบห้าเดี๋ยวจะอธิบายสักยี่สิบพี่น้องเอาหนึ่งเมื่อท่านพี่น้องอาบน้ำนามาศแล้วต้องการที่จะมามาบทีมัสยิดห้ามทำมือแบบนี้นี่เป็นบาปครับ ยิ่งมานั่งอยู่ในมัสยิดวันสู์ด้วยทำนี่เลยอนะมือจับหัวเขานี่ละบาปบาปเล็กนะแต่ถ้าทำบ่อยๆกลายเป็นบาปใหญ่เรื่องที่สองเวลาเข้าเสือนามาดพอยือนนามาดชอบแต่งตัวงะ่ะเสยผมดึงเสือ้อเออไม่ไม่สวยเลยจัดใหม่เออทำโนวนทำ น, น, ทำนี่นั่นเป็นบาปข้อที่สามพี่น้องเวลาหาวในนามาดต้องในนมาดด้วยนะ ถ้าหาวในนาะมาต้องพยายามฝืนอย่างอ้าปากว่าเลยมีเสียงออกมาจากอัก อ, อย่าทําอย่างนั้นพยายามฝืนเอาไว้ถ้าหากว่าปล่อยนะปล่อยตามสบายหาวว่หาวหาไปใช่ไหมเป็นบาปต้องฝืนนะครับข้อที่สี่พี่น้องห้ามนอนก่อนนาะมาติชา ห้ามนอนก่อนนามาตอิชาแล้วก็ห้ามคุยหลังจากนามาตอิชาคุยเรื่องไร้ไร้สาระอย่าไปคุยมันต้องฝึกในบ้านงานนี้นะนะครับแต่นั้นอย่านอนก่อนนามาตอิชาเพราะหลายคนโทรศัพท์มาหาหาผมท่านไม่ได้นามาตอิชาทําไมอ่ะนอนนอนหลังจะมักเรียบมาตื่นสุโบกเลยอ่ะนิชาขาดนบีสั่งนะอย่าไรนะอย่านอนก่อนนามาตอิชา ต่อมาข้อที่ข้อที่ห้าอย่าหายใจในขณะดื่มน้ําที่อมังบุคอดีนะสะนันการดื่มน้ำพี่ น, น้องให้ดื่มที่ละอึกหรือสองอึกที่เป็นสุนนาของท่านนาบีรักใครหายใจในขณะดื่มน้ําเป็นบาปครับข้อที่หกอย่าเอามือขวาจับอวัยวะเพศต้องบอกลูกลูกเอ้ยอย่าเอามือขวาจับอวัยวะเพศนะครับข้อที่เจ็ดเวลา ชำระความสะอาดปัสสาวะ อ, อุจจาระอะไรก็รกตามอย่าใช้มือขวาบางทีเราล้างก้นให้ลูกบางทีก็ใช้มือขวาก็มีจำแค่รัติอย่าทำมก็ปเป็นบาปนะต่อมาครับข้อที่แปดห้ามสร้างสุราแข่งกันเป็นบาปนะพี่น้องสร้างสุราแข่งกันนี่เป็นบาปนะพี่น้องนะเออสุรา ออคลองนู้นเขาสร้างราคาส5หล้านฉันต้องสร้างยี่สิบล้านแต่คนน้ำมันไม่เคยมีสอนก็ไม่ได้ซ้อนอบรมก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีพี่น้องอลัลลอฮฺอักบารนี่เป็นบาปเสมอเขาเรียกว่าบาปเล็กต่อมาข้อที่เก้าพี่น้องห้ามใส่แหวนสองนิ้วเนี่ยห้ามใส่เนละพี่น้องนิ้วกลางกับนิ้วชี้เป็นบาปนิ้วกลางกับนิ้วชี้เป็นบาปพี่น้อง ห้ามใส่นิ้วกลางกับนิ้วชี้เป็นบาปใหญ่นะไอ้เป็นบาปเล็กบาปเล็กต่อมาครับข้อที่สิบนอนตอนเข้านอนเน่ยอย่าจุดไฟทิ้งไว้ในบ้านเป็นบาปเป็นเพราะอย่างยิ่งตะเกียงเนี่ยนะครับโอกาสที่หนูมันจะเข้ามานะครับแล้วไฟก็เปิดทิ้งไว้ในบ้านเต็มไปหมดเลองค์แอก็อเหมือนกันใช่ไหมเปิดทิ้งไว้ทําไมอ่ะพอปลายเดือนเหงื่อออก ทลายหกพันรออัปมาเพราเปิดไฟทิ้งเอาไว้เปิดแอร์ทิ้งเอาไว้อย่าอย่าต้องต้องและต้องละเอียดหมดเลยนี่นะเบสอนให้มุสลิมนั้นเป็นคนรอบคอบนะครับละเอียดมากเลยต่อมาข้อที่สิบเอ็ดพี่น้องห้ามนอนคว่ำห้ามนอนคว่ำนักเรียนบางคนชอบนอนควมม่ำไม่ไม่มีฉะนั้นมุรุษเต้อ ง, ง, ง, ง, งอธิบายอย่าอย่าอย่าอย่านอนคว่ำพยายามนอนหงายนะเพราะ ม, มันเป็นบาปข้อที่สิบสองเวลาเข้าตด เวลาคนคนใด น, นะผายลมอ่ะหัวเราะคิกๆๆ๊กคิมีไหมมีครับแต่ท่านคนที่ฟังศาสนาจะรู้โอ้การหัวเราะคนที่ผายลมออกมาแล้วนั่งหัวเราะกันพี่น้องเราต้องไม่หัวเราะการหัวเราะนั้นเป็นบาปอย่าลืมนะผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขาผายลมอ่ะห้มดุลิลล่านะงั้นท้องมันอึดพอท่องมันอึดแล้วอึนอดัด พวกหนุ่มๆสาวๆยังไม่รู้หรอกเดี๋ยวร้อยอายุหกสิบเมื่อไหร่จะรู้โอ้โหถ้ามันไม่ได้ถ่ายถ้ามัน ไ, ไม่ได้ไม่ได้ผายลมไม่ได้ตดโอ้โหมันอึนอดอัดตอนนี้บางคนก็ลืมไปผายลมตอนหน้าคนมันก็มีเสียงออกมาเนี่ยไอคนที่ฟังถ้าเข้าใจอิสลามเขาจะนั่งเฉยๆอย่าไปหัวเราะการหัวเราะนั้นเป็นบาปข้อที่13ผมงอห้ามถอน ผมงอกห้ามถอนผู้หญิงบางคนนี่นะผมงอหมดเลยต้องการที่จะใส่อะไรนะเฮนนาย้อมผมเพื่อจะให้สามีรักพอยอมผมพับสเสร็จแล้วอะไรเป็นโรคภูมิแพ้หายใจไม่ออกเกือบตายอะ่ะมีคนโทรศัพท์มาหาฉันหนูเกือบตายเลยทําไมลนะ่ะย้อมผมเพื่อให้มีให้ให้สามีรักที่ไหนได้อะ่ะหายใจไม่ออกต้องรีบเอาออกแล้วทําไงอะ่ะ สามีก็ต้องรู้อ๋อภรรยาเราเนี่ยใส่หันหน้าไม่ได้พอใส่หันหน้าแล้วอึดอัดเป็นลมมืดหน้าความดันขึ้นอะไรขึ้นก็ต้องยอมรับสภาพฉะนั้นถอนผมงอกเนี่ยไม่ได้แต่จะเปลี่ยนผมงอกมาเป็นผมสีแดงๆตามคิซูน่านามีสอนอันนี้ได้แต่บางคนทามไม่ได้นะครับต่อมาข้อที่ส5หข้อที่14ห้ามนั่งตากแดบดบ ครึ่งนึงอยู่ในแดดอีกครึ่งนึงอยู่ในที่ร่มแบบฝรั่งอาบแดดอย่าทําเพราะเป็นที่นั่งของไซปอร์ข้อที่สิบห้าพี่น้องอย่าไปบังคับแขกแขกที่มาทานอาหารที่บ้านเราหรือมานั่งที่บ้านเราเอาอาหารมาให้แขกทานอย่าบังคับว่ากินกินกินวิธีที่จะบอกแขกนะให้ใช้ภาษาคุรานของนบีอิบรอฮีมอัลาตะกูลูน ท้าไมคุณไม่ลิงไม่ชิมอาหารอันนี้แหละฉันปรุงเองนะถ้าไม่ชิมผลไม้นี่ต้นของฉันเองนะฉันปรุงเองนะอร่อยมากๆถ้าขึ้นด้วยว่าทําไมไม่ลองชิมอย่างนี้ทําได้แต่จะไปบังคับแขกไม่ได้อลลอร์นี่ละเอียดมากอิสลามสอนต่อมาข้อที่สิบหกพี่น้องอย่านอนบนหลังคาบ้านสุตโตอย่างเงี้ยมัสยิดจะมีหลังคาเท่าไหร่ล่ะแล้วรู้ว่าไม่มี นบีห้ามเดี๋ยวเดินตกกําถืนเกิดละมงละเมยขึ้นมาตายฉะนั้นกอจะนอนต้องดูก่อดว่าหลังค่าวสุตโตนะ่ะมีรั้วหรือเปล่ า, านี่อิสลามนาบีสอนให้ใช้ปัญญาอย่างละเอียดแล้วครับไปนองข้อที่สิบเจ็ดคนที่ใส่รองเท้าบูทอย่ายืนใส่รองเท้าบูทต้องนั่งก่อนอให้นั่งก่อนแล้วใส่รองเท้าแต่รองเท้าแต่ไม่มีปัญหาก็ แย่ yeah, ไปเลยสะอาดสายไปเลยแต่ให้เข้าให้ให้ให้สวมด้วยเท้าขวาก่อนห้ามดุริเลออัลลอฮ์นี่นบีสอนละเอยียดน่ะนะคนที่ยืนใส่รองเท้าไม่นั่งเป็นบาปนะครับพี่น้องข้อที่19ข้อที่สิปพี่นอ้องอยาดาไก่เวลาไก่มันขันเพราะไก่ขันนั้นปลุกให้ค้นมานามาข้อที่สิบปข้อที่19อย่าบังคับให้คนป่วยทานอาหาร คนป่วยอ่ะมากินดิบังคับมากินดิกินดิอย่าไปคือถ้าเขาไม่อยากทานก็ไม่ทานเพราะอัลลอเนี่ยยุตไรโมฮุมว่ายุตตีหมอัลลอให้อาหารเขาแล้วก็ให้รีสกีเครื่องดื่มแกเขาคนป่วยนะอลัลลอฮฺยกเล่นนะข้อที่ข้อที่ย0สบยาดาการเจ็บไข้ในป่วยเพราะการเจ็บไข้ในป่วยนั้นเป็นอะไรนะเป็นเครื่องลดความบาปของเรา ที่เราทำมาทั้งหมดมี20ข้อนะครับทั้งหมดมันยี่ยี่ห้าเวลาไม่มีเอาแค่20ข้อก่อนนี่เป็นบาปเล็กบาปเล็กถ้าทำสม่ำเสมอ ก, ก็กลายเป็นบาปใหญ่เอาต่อมาอายาที่15มังกานะยะุนอัลลัยยัลสุรุหุลลาฟิดดุนยาว و ا ل า خ ر ة ฟัลยัมดูเดบิษَบَบินَิَะสมาสุมันยากต้าฟัลย์นَุร์ฮัลยُุิบันเคนดูหูมาญุริย์มَนเคُยัญَุุอัลَ ن ย ف ُ ر ซ ه ร ا ل ل َّ ه ฮ ใน الدنيا แ ا ะอันที <m ul ia> ่รอดฟัลย์มดุด้วยสาบานอิลลัสมาทุมยัพตฟัลยันซุรัลยุธิบันดมายุกุร้อ่านยานี่เตือนเตือนคนาเฟ เตือนศัตรูของอิสลามที่แค้นเมื่อเห็นศาสนาอิสลามเจริญมีคนเข้ามานับถือเพิ่มขึ้นแค้นโกรธโมโหไม่พอใจเตือนคนที่คิดคัดค้านมูฮัมหมัดในตัฟซิดอธิบายว่ามีอยู่สามสามสามรายการนะเห็นอัลกุรอานแค้น เห็นนบี ม, ม, มุฮัมมัดเห็นสุนนะนบีถูกเอาไปนํามาปฏิบัติไปทั่วโลกแคนเห็นศาสนาอิสลามพี่น้องถูกคนมาเล่าเข้ารับนับถืออันอิสลามเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวเข้าคนรับทั่วโลกหมดเลยคนที่แคนศา ส, สนาอิสลามแคนอัลกุรอานแคนนบี ม, ม, ม, มุฮัมมัดแคนสุนาานะนบีเลิกแคนได้แล้วต้องการจะบอกลือทําไม่สําเร็จ นี่เป็นงานของอัลลอ์หมดเลยอย่าไปอย่าไปแค้นมุฮัมมัดเลยอย่าไปแค้นอิสลามเลยอย่าไปแค้นอัลกุรอานเลยทั้งหมดนั้นเป็นของอัลลอ์อดูกรุรอานมังกายาลุนนผู้ใดมันว่าผู้ใดที่นี่หมายถึงผู้ที่ต่อต้านอิสลามต่อต้านอัลกุรอานต่อต้านนบี ม, มนะุฮัมมัดนะยาลุนนคิดว่า ย่าร ah, ah ah, ุนนุบคิดว่าอัลลัยยัมซุรอหุลลอฮคิดว่าอัลลอฮจะไม่ทรงช่วยนาสซาร่ยัมซุรู้แปลว่าช่วยยุนยัมซุรู้ฮูเนฮูหมายถึงนบีมุฮัมมัดผู้ใดที่คิดต่อต้านอิสลามต่อต้านอัลกุรอานต่อต้านนบีมุฮัมมัดคิดว่าอัลลอฮจะ ไม่สมช่วยนบีมูฮัมหมัดช่วยอัลอิสลามช่วยนบีมูฮัมหมัดช่วยอัลกุรอานนะคิดว่าอัลลอฮ์จะไม่ช่วยนะคุณคิดผิดคุณคิดผิดฟิดุนยาในโลกดุนยาใบ น, นี้วันอาคีราะและอัลลอฮ์จะไม่ช่วยในโลกอาคีราะอาธิบายยังไงพี่น้อง ช่วยบนโลกดุนยาแม้เขาว่าเงี้อัลลอฮ์เนี่ยจะช่วยให้คนมารับนับถืออัลอิสลามเพิ่มขึ้นทุกวันเรามองดูวันนี้นะอิสลามเหมือนก็ถูกถูกถู ก, ถ ก, ถกไรนะถูกรังแก่ใช่หรือไม่ใช่อ้าวอุ้ยกูถูกส่งไปประเทศจีนมารู้ถูกฆ่าหรือเปล่าไม่รู้อเมริกาทิ้งระเบิดอะไรนะอิรักตายไปเท่าไหร่ไม่รู้โทษมุสลิมหมดเลย ทุกประเทศนี่ที่มีปัญหามุสลิมเป็นผู้ก่อได้เราเนี่ยเป็นเป็นถูกรังแกมาตลอดเหมือนกับว่าคนนี่เกียดอิสลามแต่ที่ไหนได้อิสลามยิ่งเพิ่มขึ้นอิสลามยิ่งเพิ่มขึ้นนี่อกุอ่านสอนนะอลัลล์กูอ่านสอนฉลาดมากอลัลลอฮ์สอนให้คิดนะท่นคนที่คิดต่อต้านอิสลามเลิกคิดได้แล้ว คิดว่าอัลลอฮ์จะไม่ช่วยนบีมุฮัมมัดหรือ impossible อัลลอ์ช่วยนบีมุฮัมมัดฟิตดุนยาบนโลกดุนยาไปนี้มันคาวาไงให้คนมาเข้าใจสุนนะเพิ่มขึ้นให้คนมาเข้าใจอิสลามเพิ่มขึ้นให้คนมาอ่านอัลกุรอานเพิ่มขึ้นสามรายการนี้ทั้งโลกยอมรับหมดแล้วครับพี่น้องหนึ่งยอมรับสุนานะนบีสองอ่านอัลกุรอานสา เข้ารับนับถืออัลอิสลามสามรายการนี้พี่น้องทั้งโลกวันนี้พี่น้องทั้งเห็นนะมองมองให้ดีนะอัลลอฮฺอักบัด์คนเข้าใจอิสลามเพิ่มขึ้นอย่างพวกเราวันนี้ทำดีแล้วนี่ถ้าทุกสุเราเมืองไทยนี่นะมีสอนหนังสือกันนะอะไรกันอัลลอฮฺอักบุบะด์จยิ่งใหญ่ขนาดไหนที่พ่อข้ามาเองขณะหมายสอนไม่ได้อัลลอฮฺอัลอกบะดนี่ขนาดถูกต่อต้านนะก็ยังทำดีแล้วคนยังสนใจศาสนากันเพิ่มขึ้น ทีนี้อัลลอฮสอนนะคนที่แอนตี้อิสลามเนี่ยไม่ต้องการจะให้อิสลามเจริญก้าวหน้าวิธีตัดให้ตัดแบบนี้ฟัลยัมดุดฟัลยัมดุดจงอะไรนะจงบิาบาบินอิลัสซามะก็จงให้ผู้นั้นเนี่ยต่อเชือกขึ้นสู่ท้องฟ้า ทำไมอธิบายยังไงต่อเชือกขึ้นสู่ท้องฟ้าเพราะว่ากุรานนี้มาจากไหนมาจากชานชาญฟ้าขึ้นไปข้างบนแล้วไปยับยังอัลฮิให้ลงมาสิถ้ามีความสามารถเชิญเลยโอโลนี่อโลพูดพี่น้องเห็นยังครับถ้าผู้ที่ต่อต้านอิสลามต่อต้านอัลกุรานต่อต้านนาบีมุฮัมมัดทั้งหมดมาจากฟากฟ้าหมดเลยนะ ถ้าต้องการมาให้อยากให้อิสลามมีคนรับนับถือเยอะขึ้นต้องการไม่ให้คุณอา น, นี่ถูกถูกวะฮีลงมาไม่ให้มอัม m m a d นั่นถูกแต่งตัง้งโดยอัลลอะ์ขึ้นไปบนทองฟ้าแล้วไปตัดวะฮีเลยไปยัดยังวะฮีถ้าคุณทําสำเร็จคุณชนะจะทําได้ไหม <c oughs> นี่อัลลอฮ์บอกเชิญเลยเชิญเลยเชิญเลยจงอะไรนะ จงให้ผู้นั้นต่อเชือกขึ้นบนสู่บนท้องฟ้าฟันยักกระต้อแล้วก็จงตัดมันคือไปตัดวะฮีทีนี้ต้องการอธิบายแล้วตัดวะฮีม่ให้ลงมหานาบีมุฮัมมัดอีกลายงานหนึ่งอธิบายอธิบายอย่างนี้คุณไม่ต้องขึ้นสู่บนท้องฟ้าก็ได้เอาเชือกเลยไปผูกแผดานบ้านของคุณคำว่า อัสา ม, มามาถึงชั้น้ามมาถึงเพดานบ้านแล้วก็ผูกคอตายดูสิว่าความเครียดของคุณความแค้นของคุณจะหมดไปไหมมีสองควหมายนะหนึ่งต่อเชือกขึ้นไปบชนชั้น้านแล้วไปตัดวะฮีสองหรือไม่ก็เอาเชือกผูกเพดานแล้วก็ผูกคอตายเพราะความแค้นจะอิสลามจเจริญความแค้นที่คนมาอ่านกูรอานเพิ่มขึ้น ความแค้นของคุณเอาสุนหน้า น, นาบีมาใชา้ขึ้นว่ามันจะหมดไปจากคุณไหมคุณตายกี่ครั้งมันก็ไม่หมดคุณก็ยิ่งเครียดมากขึ้นเท่านั้นแล้วนี่อัลลอฮฺตากะว่าเลิกคิดได้แล้วเรื่องจะแอนตี้อิสลามเลิกคิดได้แล้วเรื่องจะให้คนถอยจากอิสลามเป็นไปไม่ได้ฉะนั้นยิ่งอยู่นานไปนานไปนานไปดุนย า, าศาสนาอิสลามจะครองโลกแล้วก็ฟิลอาครอแหละ ว, วันอาครอ จะอยู่ในตําแหน่งที่สูงอยู่ในสวนสวรรค์พูดง่ายๆเลยบนดุลยานี้คนจะเข้าใจาอิสลามเพิ่มขึ้นจํานวนจะเพิ่มขึ้นส่วนในอาคเริรเขาจะอยู่ในตําแหน่งที่าดหร่นะเขาเรียกว่ามันสิละเอาลุตําแหน่งที่สูงส่งในโลกอาคริรนี่อัลลอฮ์สัญญาคนกาเฟตเอ๋ยมุฮัิกเอ๋ยสัตว์ัวของอิสลามเอ๋ยคนที่แอนตี้ซุน่านะเบีเอ๋ยเลิกคิดได้แล้วซุน่านะเบียิ่งเจริญ ยิ่งเจริญยิ่งเจริญยิ่งเจริญกูนอ่านคนยิ่งอ่านเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นคนที่เป็นมุสลิมเข้ารับอัลอิสลามเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทุกวันนี่สบายใจไหมอัลลอฮฺอักบัรนี่แหละปลอบใจปลอบใจมุสลิมแล้วก็ปอบแล้วก็แอนตี้คนกัสเวตเลิกคิดแอนตี้อิสลามได้แล้วและจริงไหมจริงครับนี่ผมมีเพื่อนอยู่คนเป็นคนกัสเวต มาอยู่ประเทศไทยเนี่ยยี่สิบปีแล้วก็ได้อะไรนะก็ด้ว่าไปไหนฮิจิโร่นะอาไซรัมไปไหนกไรนะเอาไปอยู่ที่ประเทศยุโรปมีลูกมีเมียเมียไม่มีมีลูกสาวมีลูกชายไปอยู่ที่พิ่งไปได้สักห้าหเดือนเนี่ยโทรศัพท์มาบผมว่าอ๋อเขาจาดบ้านให้อยู่ยังดีมีที่ดินให้มีงานทำแล้วก็ให้เรียนภาษาของเขาด้วยพอพูดภาษาเป็นแล้วก็มีงานทา มีโรงมีรถให้ใช้หมดเลยเราเนียร์กูเป็นไงผมต้องการจะเอาอิสลามไปเผยแพร่ที่ประเทศอยุโเห็นไหมประเทศอะไรผมลืมเลยฮอลแลนด์หรืออะไรสักอย่างเลยนะเห็นไหมคุณถามคุณเนียรอะไรผมเนียรเผยแพร่อิสลามรแบบ้องอักวัตฉะนั้นผมต้องเอาคนริมบ้านผมเป็นมุสลิมสักคนสองคนพูดอย่างนี้เลยฉะนั้นทั้งหมดนี้เป็นแผนของอัลลอฮ์ทั้งหมด อยู่กูเวตอยู่ไม่ได้มีอยู่ประเทศไทยเสร็จแล้วก็อพยพจากไทยไปอยู่ประเทศฮอลแลนด์อ่าประเทศฮอลแลนด์ดเนี่ยนะเนี่ยแต่ละคนแต่ละคนเป็นว่าค น, น, คน ล, ลำบากแล้วคิดถึงใครคิดถึงอัลลอฮฺสุบไพร์ะฮูวาตาละฟันลยงกต่อแล้วก็จงตัดเชือกมาถึงไปตัดวะฮีสอบเนื้อไม่ก็ตัดเชือกแล้วก็แล้วก็ดูซิว่าฟันยั้งรูดแล้วก็ให้เขาเฝ้าดู พันยูซหีบันไกดูหูมายุรีแผนการของเขานั้นจะทำให้สิ่งที่เขาเครียดแค้นหมดไปไหมอัลพี่น้องยิงูกวคอตายกับตายฟรีขึ้นไปข้างบนนั้นไปตัดวะฮีม่ให้วะฮีลงมาก็ทำไม่ได้ฉะนั้นเลิกคิดได้แล้วแผนการที่จะทำาอ ล, อลายอัลอลาฮต้องมองมุงมกับนะ ถ้ามองมุมไม่กลับอธิบายไม่ได้ต้องมองมุมกลับที่คุราน์ตื่นสอนเนีเราใช้ปัญญาใะ่ไหมแคนั้นในตับซีดอธิบายดีนะครับบอกว่าเป็นการรัจจ์ลิลกุฟ่าเป็นการตําหนิหรือเป็นการห้ามคนกุฟ่านะมีน่ารอยสิอย่าไปเครียดแค้นกับอิสลามเลยมาลาฟาอิดตุมฟี ยิ่งไปเครียดแค้นนะคุณไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยเสียทั้งดุนยาและเสียทั้งอาขี้นองจันนั้นยอมจำนนตนต่ออัลลอ์ดีกว่าอ่านอัลกุรอานดีกว่าและเอาสุนาขของท่านนาบีมาใช้ในชีวิตประจำวันเช่นหาวอมือติดปากเข้าห้องน้ำด้วยเท้าซ้ายเข้ามัสยิดด้วยเท้าขวาติดต่อกับญาติพี่น้องพบกุรอานยิ่งประทานลงมายิ่งเป็นทางนาของอัลลอ์เพิ่มขึ้น ไม่ใช่กุลอานมาทำลายใครไม่ใช่พี่น้องตัวตนเลิกแอนตี้อิสลามนะเลิกแอนตี้ซูนานะแล้วก็เลิอกอ่านกุลอาลเป็นคณะใหมนะ่ในไม่ใช่นะ น, นเลิกให้หมดหันมายอมรับในอัลลอ์ในรอซูลในอัลูกุลอาและซุนัขันนบีาพี่น้องหมดหรือยังเนี่ย บีออายาหนึ่งวกาจาลิกอันซาลนาหุอายาติมบายนาตว่าอันอัลลอฮฺยัจดีไม่ยูริดอัลฮัมดุลิลละวกาจาลิกในทำนองนี้ต้องการอธิบายยังไงนี่เป็นความประสงค์ของอัลลอนี่เป็นความประสงค์ของอัลลอ อัลลอฮ์นี่เป็นความต้องการของอัลลอฮ์ละอันซันนาหูเราได้ประทานอัลกุรอานลงมาให้กับนบีมุฮัมมัดใครจะแค่นใครจะเครียดเชิญ น, นี่ไม่เป็นอะไรนะเป็นนโยบายอา่เป็นการบริหารโลกใบนี้ของอัลลอฮ์สุบฮานุวะตาละประทานอัลกุรอานลงมาให้กับนบีมุฮัมมัดอาญาตินเป็นองค์การต่างๆเป็นสัญญาณต่างๆเป็นเรื่องเื่อๆไปน้อง ใบนีนะจิ้นแจ่มชัดเข้าใจง่ายนี่กูอ่านอายาที่ผ่านมาเนี่ยเข้าใจง่ายั้มเข้าใจง่ายพี่น้องแล้วเป็นไงครับโอ้โหคนที่แอนตี้อิสลามเลิกแล้วเลิกได้แล้วคนที่แอนตี้สุนนะนบีเลิกให้หมดอัลลี่พี่น้องผมฟังใครพูดบอกว่าอุยกูเนี่ยมีประชากรมุสลิมประมาณสิบล้านแล้วก็ จีนเนี่ยเอาคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยมาอยู่ที่อยู่นี้เนี่ยอยู่ที่รัฐของมุสลิมเนี่ยประมาณสิบเอ็ดล้านสิบสองล้านมาอยู่เพื่อจะกลืนอะที่ไหนไดน้มุสลิมกลืนฉะนั้นใครวางแผนทำลายอิสลามไม่สําเร็จครับไม่สําเร็จครับฉะนั้นทหารมันกรทหารไทยเนี่ยไปอยู่ที่ปัตานียาลาไปแต่งกับ ล, กลูกเด็กเขสาวแค่นั้นะ่ะก็มีคนถามว่าไปแต่งเขาทาไมละ ก็เด็กเราติดอะไรนะน้ำท่อมติดน้ำท่อมเซ็กไม่มีรู้เปล่าฉะนั้นใครที่กินน้ำท่อมนะรู้เปล่าเซ็กหมดโอกาสจอรนิก้าไม่มีแล้วนะเซ็กจะเหี่ยวลงเหี่ยวลงเหี่ยวลงฉะนั้นพอเซ็หมดแล้วเปานไงพี่นะ้าราคาจอร์นิกากับเราอะ่ะฉะนั้นอยา ก, กินน้ำท่อมนะน้ำท่อมเนี่ยมันอร่อยจริงแต่เซ็กหมดฉะนั้นพวกทาหารเนี่ยไปแต่งงานกินนั่นหมดนะที่ไหนได้ได้ลูกมาเป็นมุสลิมอีกอา้าว ฉะนั้นแผนการของใครก็าตามที่จะทำลายมุสลิมเลิกคิดได้แล้วเอาคุณอ่านไปเป็นรำธรรมนูญชีวิตดีกว่านะและท่านจะสังงานาต่อมาครับมีคุยเรืการเมืองเยอะไปหน่อยนะอายาติมบะยนาอัลลอฮฺได้ประทานอันคุรอ่าน ล, ลงมาอธิบายอย่างแจ่มชัดว่าอนันอัลลอฮะยาดีมายูรีแท้จริงอลัลลอทรงนำทางผู้ที่พระองค์ทรงตรันา พี่น้องเป็นมุสลิมมันจะเป็นกันง่ายๆหรอกนะมันจะเป็นกันง่ายๆนะจะนั่นต้องอัลลอฮ์เปิดใจก่อนถึงจะรับอิสลามได้ถ้าอัลล์ไม่เปิดไม่มีสิทธ์รับอิสลามนะครับนั้นต้องพึ boleh, นะ่งอัลลอ์หมดเลยครับ سبحان อัลลอฮไบัมดีกะชเลิลลัลลฮอลลออัสตัฟิุวะตบะอิลัยฮวอสลามุอะลัยกุมวะราะห์มัตุลลอฮฺวะบรากตุ